หลักธรรมะทางพุทธศาสนาเพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจในะหลักคําสอนของพระเจ้าจริงๆขึ้นไปตวาการปฏิบัตินั้นจําเป็นต้องมีความรู้บ้างถ้ามันมีความรู้แล้วก็ปฏิบัติไปตามเรื่องตามราวตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ผลมันได้น้อย บางคนก็ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นเขาชักเขาชวนเขามาก็มาปฏิบัติแต่ทําเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปเอามาไม่ไปตลอดที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวเองยังไม่รู้จักคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าถึงความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมของพวกเราที่ปฏิบัติกันเนี่ย เราปฏิบัติเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงนายคารวาให้ใจข้อนางมันรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มันเป็นของไม่เทียงและให้รู้จริงเห็นจริงของที่มันเที่ยงของที่มันไม่เที่ยงก็คือสังขารหมายถึงสังขารที่ใจครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทางลาย แล้วก็สังขารไม่มีใจครองก็หมายถึงแผ่นดินต้นไม้ผูเขาจริงเรานั้นเราได้ใช้ได้อาศัยมันตามกาหนด อ, อายุและเวลา nan n a ของมันเองไม่ตลอดไปจึงถือว่ามันเป็นของแก่เจ็บตายแม้แต่ของที่ไม่มีญาณแผ่นดินต้นไม้ผูเขามันก็อยู่รู้จักผุพังรู้จักทล่มเป็น ส่วนมนุษย์เราก็เห็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าชาลาผู้คนเท่าก็แตกดับที่เราสวดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะสักว่าสวดต้องให้พี่อย่างไรซึ่งเขาถึงใจน้อมเข้ามาที่ตัวเรานะํามันแก่ไปมันลากไปข้างหน้าอยู่แล้วมันจะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดหลบหลังกายของเราก้หนุ่มก็แน่นก็หนุ่มก็อนสาว ต่อไปมันก็เปลี่ยนไปของมันเองเรียกว่ามันเป็นเองทั้งนั้นเรียกว่าอนัตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันไปของมันเองมันก็เปลี่ยนสภาพเพรานสุดท้ายมันก็แตกดับไปตามธรรมชาติเรารู้เราเห็นกันอยู่ปู่ยญญ่าตา ย, ยายของเราเกิดก่อนเราท่านก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีพวกเรา ก็เป็นแม่เป็นตาเป็นยายคนสุดท้ายเขาจะต้องไปยังปู่ย่ า, าตายายของพวกเราที่ไปแล้วนั้นอันนี้มันปกติธรรมดาถ้าเราพิจารณาตามนี้เราก็เห็นจริงเห็นจริงตามทันเห็นสังขารว่าไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นตาตามทันแต่เมื่อใจของเรานั้นถ้านำมาพิจารณาเมืออ่อรดมันก็ว่าเห็นตามทันแล้ล่ะ แต่เอาเข้าจริงๆเราก็หลงเราก็ลืมเรียกว่าหลงลืมไม่รู้ตัวตลอดเอาอย่างง่ายรู้กายรู้ใจอันนี้คือกายอันนี้คือใจเราถ้ากําหนดพิจารณาเราก็รู้ว่านี่คือกายนี่คือใจแต่เอาเข้าจริงๆลืมกําหนดไม่ได้ วันหนึ่งมีโยมคนหนึ่งโทรศัพ์มาบอกอาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนภาวนาถูกผมกํำหนดภาวนายังใดภาวนาอย่างใดก็ได้ทางด้านแต่ขณะนี้มันบวชสบายจับไหมใส่ไหมไห่ได้ทั้งกำหนดลมหายใจก็ไม่ได้กํำหนดพุดโทรก็ไม่ก็หนดอะไไม่ได้สักอย่างเลยแต่ขณะที่เรายังสบายสบายอยู่นั้นน่ะมันกําหนดได้ทุกอย่าง จะทำอะไรจะทำยังไงอาจารย์วะถ า, ถามมาให้เมียถามมาอาจารย์ก็ตอบไปว่าจะไปตั้งนั่นตั้งนี่ทำไมวะใจมันมีอยู่ที่ไหนมันรู้ยังก็รู้ใจกันแล้วกันให้รู้ใจตัวเองก็ใช้ได้แล้วให้มีมสติเข้าไปหาใจแล้วสติเข้าไปหาใจอยูอย่ตรงไหนอ่ะ เรารู้สึกว่าสบายไม่สบายอยู่ตรงไหนก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปพุโ ท, ทโธธรรมโสังขอแล้วไปอยู่ที่พุทโธไปอยู่ที่รู้นั่นละเข้าไปรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปโกดไม่ต้องไปคมมันมีความรู้สึกอยู่แล้วตัวเราคือใจอันนี้แหละคืออา น, นิสงส์ในขนาดที่ปฏิบัตินั่นเราทำได้แต่ว่าเป็นโทษที่เราเราไปเกาะ ไปยึดไปถือในหลักอนันต์นั้นมันก็เลยยุ่งใหญ่อย่างที่สอนว่าเอาก็ต้องภาวนากําหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธปกติธรรมดาลเราก็ทําได้เราทําเพื่อฝึกสติเท่านั้นไม่ใช่เอาอันนั้นไม่ใช่เอาลมไม่ใช่เอาพุโทโธแต่เพื่อสร้างใจเขาเราให้มีสติเท่านั้นแล้วก็พักกันปล่อยฝึกหัดมันปล่อยมันวางมัน แล้วก็ไปรู้ใจครับเข้าถึงข้ความรู้ใจแล้วมันก็มันก็มีแค่นั้นนะ่ะจุดมันมีแค่นั้นหรือให้ใจนะ่ะรู้จากสังขารรู้จักข้างนอกจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเวนาตาให้รู้วิสังขารคือสิ่งที่มันไม่ตายสิ่งไม่ตายเพระพาะปุาาตตะเลวอมตะรม ก็หมายถึงธาตุรู้ที่แท้ธาตุเดิมในตัวเราทุกคนนี่มันมีเรียกว่ามีใจใจสองอย่างใจที่ผสมกับกิเลสผสมกับความรักความชังใจที่ประสาศจากความรักความชังความรักความชังนะั้นมันมีอยู่นั่นมันเป็นเปลือกหอ่อเปลือกห่อใจนีตัวข้างในมันมี มีตัวแท้ที่นึ่งเหมือนกับมาเลือกพืชมันมีเปลือกเปลือกห่ออยู่แก่ออกแล้วมันก็เป็นตัวแท้มันพระพุเจ้าเปรียบเทียบในการปฏิบัติเมื่อชำอกใจออกแล้วชำอกเปลือกมันออกแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับเม็ดพืชตัวอย่างว่าข้าวเปลือกถ้ามันมีเปลือกห่ออยู่แล้วเมือ่อใด ก็เป็นทางให้เกิดอยู่เรื่มลําไป เ, าเข้าเปลือกเอาไปหวานมันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำหรือมาเม็ดพืชอย่างอื่นก็เหมือนกันมันมีต้นมีลำออกมาจากที่มาเล็ดมันแต่ถ้าแกะเปลือกออกแซลล้นะอย่างว่าข้าวเปลือกแกะเปลือกออกแล้วมันก็เป็นข้าวสารเอาไปหวานให้มันเกิดที่น้ํามันก็ไม่เกิดแล้วจริงเพราะมันเป็นข้าวสาร แต่ใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเอาเปลือกมันออกทำละแกะเปลือกมันออกแล้วคือความโลภความโกรธความหลงหรือพูดง่ายๆก็คือความรักความชังที่มันมีในใจของเราทุกคนแกะมันออกเสแล้วมันก็เป็นใจล้วนๆท่านเรียกว่าอมตะธาตุธาตุรู้ธาตุดมหรือใจเดิม ใจที่มันไม่ะสมกิเลสแต่มันอยู่ข้างในใจมันผสมกิเลสมันอยู่หอ่อเปลือกมันหอ ม, มก็ผสมเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นนี่ต้องการให้ใจของเราแต่ละคนรู้สิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งที่เป็นสังขารโลกสังขารมีใจคลองมนุษย์และสัตว์แต่สังขารไม่มีใจคลองตอนน้อยภูเขานั้นถือว่า เป็นสภาพเกิดขึ้นแปรปวนเปลี่ยนแปลงและดับในที่สุดแตกดับในที่สุดทั้งหมดส่วนภายในที่ภายในที่ธาตุรูนแท้ดังที่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นสภาวะที่ไม่แก่ตายต้องเข้าถึงอันนั้นทีนี้จะเข้าถึงนั้นก็ต้องสร้างสติสมาธิปัญญาเข้าไปอย่างที่พาปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ใช่ทำวันเดียว ท ำ, ำเสมอเราต้องมีกฎกติกาใส่ตัวเองทุกคนจากเป็นชาวบ้านในชาววัดก็เหมือนกันต้องมีกฎกติกาใส่ตัวเองแล้วเตือนตัวเองเสมอตัวเราทุกคนแม้ใใจะยังหนุ่มแน่นหรื อ, อยังแกมันก็มีกฎเกณฑ์ในเดียวต้องจากไปทุกคนแล้วก็ไปคนเดียวด้วย ไม่มีใครนําพาไปเลยแล้วเกิดมามาถือเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาเนา้องเอาญาดมิตรทีหลังเวลาจากไปก็ไปเรามาก็มาคนเดียวเหมือนกันมาถือปริสนธิ์ที่เกิดในท้องของแม่หรือบางคนก็มาเป็นคู่อย่างเป็นลูกแฝดมากทีนี้เวลาตายโดยมากก็ไม่ตายพร้อมกันแหละลูกแฝดตายไผ่ไฟมานเหมือนกัน คืออยู่ที่บุญและบาปของใครที่จะตามไปแต่ผู้ฝึกหัดภาวานาลอกเปลือกออกแล้วคือโลพาโทสมาหาออกแล้วนั่นไม่ต้องมีบุญและบาปนำไปหรอกเราไปของเราเองเรารู้จากทางของเราเราเราก็เดิมตาทางของเราไปเองไม่ต้องมีใครมาจูงมาแนะไ ม, ม่ต้องมีใครมาจูงจมูกไปเราไปของเราคนเดียว พรอเรารู้ทางไปแล้วเหมือนกับว่าเรารู้จักทางเอาไปกรุงเทพจะต้องไปยังไงอ่ะจะต้องขึ้นเครื่องบินตรงนั้นจะต้องตีตั๋วดังนั้นจะต้องขึ้นรถเมล์รถทัวร์ยังอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเรารู้หมดไม่ต้องมีคนมานําทางเราไปคนเดียวได้ถ้าคนอื่นไปด้วยหรือจ้างคนอื่นก็ต้องให้เงินในทองเขาเราไปคนเดียวก็เรารู้จักทางแล้วนี่ ไม่ต้องอาศัยคนอื่นอีกแล้วเราไปของเราคนเดียวเปรียบเทียบใดอย่างนั้นคนจะไปสู่โลกหน้าก็เหมือนกันถ้าว่าใจแน่วแน่เอาถึงว่าไปมนุษย์ไปสู่สุคติไปเกิดมนุษย์หรือไปสวรรค์ก็มีทางรู้ไปเองอันนี้ก็จะไม่ต้องอาศัยบุญเป็นผูน้นําเป็นผู้แนะนําเหมือนกัน ว่าว่าบางบางเอาสมมติบุง ค, คลเกิดในสวรรค์พอตายพภพจากโรคนี้ก็ถึงสวรรค์บางพวกนั้นขนาดที่จิตถอนพับออกมันมีพวกเทพทั้งหลายในชั้นนั้นเข้ามามานําพานําพาไปสวรรค์ของเขาก็เหมือนกับบุคคลคุ้นเคยคุ้นเคยบางทีเป็นญาติเป็นมิตรเปนที่เคยรู้จักกันก็มีที่มารับกันไป น่นะบางคนในขณะที่ที่ยังไม่ตายก็ยังบ่นหรือมองเห็นอย่างทรมิกาอบาสก์ตอนที่จะจากโลกไปกับพวกเทวดาทั้งหลายเ็านำรถจากสวรรค์ชั้นนั้นั้นมามาเชิญเชิญทรมิกาบาสก์นั่นไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้ในขณะนั้นก็ว่า ทำให้กาบาศกนั่นขอให้พระพุทธเจา้าทรงพิสูจนมาสวดทำมาให้ฟังพิสูจทั้งหลายกําลังสวดสติปัฏฐานสูตรอาทิเตโชภกวาตาชาณตาปั ส, สตาผาตาสัมมาส ม, มุทเทนะกาลังสวดอยู่นั่นว่าเทวดาเขามาเชิญอุบาส ก, กว่ามาเถิดมาขึ้นรถพวกของเราบาโศกก็กลัวว่า จะเป็นอันตรายแก่ธรรมเทศนากำลังฟังอยู่บอกว่าท่พวกท่านหยุดก่อนพวกท่านหยุดก่อนที่สุดท้งหลายกำลังสวดกันอยู่ <c oughs> ก็เลยสงสัยว่าเออบาสกนี้ในมวลให้เรามาสวดสติปฐานให้ฟังแล้วมาห้ามเช้นในระหว่างทีนี่ลูกของธรรมาบากบาสกพากันร้องให้ บอว่าพ่อเราเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะไม่เคยเบื่อนในการฟังทำแต่ว่าขณะ น, นี้ขอให้ในบนพระท่านมสวดทำมาให้ฟังแต่กลับห้ามเสียในระหว่างก็ลองให้จอกอจององเองี้ยพิสุทั้างหลายมาดูอากาศก็เลยลงจากบ้านกลับปัตเธตะวันทอพิสุกลับไปแล้วแกบาสุก็ฟื้นขึ้นมาได้สติขึ้นมา บาสกก็ถามว่าเออทำไมหมูดเธอร้ อ, องไห้ล่ะก็ร้องไห้ที่เมื่อก่อนนู่นพ่อหม่เบื่อในการฟังธรรมขนาดนี้หมวนผ้ามาเทศให้ ฟ, ฟังแล้วดันไปห้ามในระหว่างอะเอ้เราไม่ได้ห้ามเราห้ามเทวดาถึงมาจากสวรรค์จางๆข้ออารถมาเชิญพ่อไปขอกลูกทั้งหลายก็ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนไม่เห็นมองเห็นเลยทางนั้นพักกันอพวงดอกไม้สาหรับห้อย ร้อยเพื่อพ่อนะ่ะมีไหมบอกว่ามีเอาทางนั้นหมู่เธอนล้วอดีฐานดอกไม้ได้ขึ้นไปอากาศก็แล้วกันถามว่าพ่อจะจากนี้ไปแล้วจะไปสวรรค์อาจะไปสวรรค์ชั้นไหนดีอ่ะบอกมาสิลูกกะไว้ไปสวรรค์ชั้นตูศิษิ์แหละเพราะว่าเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์หรือของภริยาบุคคลทั้งหลายาพ่อไปชั้นสุสูศิษิ์ก็แล้วกันเอาทางนั้นกอดีฐานจิต โยนพวงดอกไม้ขึ้นไปว่าขอให้มันห้อยอยู่ที่รถที่มาจากสวรรค์ชั้นตูติกาแล้วกันลูกลูกทางหลายก็ทิฏฐานโยนพวงดอกไม้ขึ้นไปคงจะเป็นพวงมาลัยดอกมะลิอย่างที่ยอมเอามากันเขากล่าวทิฐานโยนขึ้นไปดอกไม้ก็ห้อยอยู่ในอากาศเห็นแต่ดอกไม้แต่ไม่ได้เห็นรถมาศก็ บ, บอกว่านั่นละ่ะรถมาจากสวนชั้นตูติกแล้ว งั้นพ่อลาแล้วนะต่ อ, อกว่ายยังก็ดับจิตวับไปเลยก็ไปปรากฏที่สวรรค์อ่ารถที่มาจากสวรรค์ชั้นตูติจดั่นอันนี้หมายถึงแสดงอ่กากรรมมณีมิตรเขามีกุศลทางหลายที่ได้สร้างได้ทำเก็มาเชื้อเชิญไปทีนี้บางพวกบางเหล่าที่ไปไปสวรรค์เหมือนหลับแล้วตื่นเหมือนหลับแล้วตื่นนัไม่รู้ตัวเลยว่ามาทางไหน พอจิตสลาดภาพกับภาพราปรากฏวับที่สวรรค์เลยเลยทะเลทะลายที่นั้ะบอรู้เรื่องว่ามาอย่างไรไปอย่างไรสงสัยตัวเองครั้งแรกก็เป็นตัวเองธรรมดาเนี่ยเป็นคนใดก็เป็นคนอย่างนั้นแหละเนี่ยเป็นตาสาก็เป็นตาสายาสายาสีมก็เป็นรูปเดิมของตัวเองนั่นแหละไปสวรรค์ปรากฏตอนนี้เทวดาทั้งหลายเขาก็แนะนําบอก เเขาก็ถามเขาว่าที่นี่ที่ไหนเขาก็บอกว่าทีแจงว่าที่นั่นที่นี่บอกไปแต่ทีแจงครั้งแรกก็ยังไม่มีเครื่องประดับประดานึงหนึ่งพอเขาบอกสำนึกตัวแล้วว่าเออคนนี้มันเป็นสวรรค์แล้วพอเนื้อแค่นั้นก็ภาพของเทวดาก็ปรากฏขึ้นอันนี้หมายถึงบุคคลผู้หลับแล้วตื่นหมายขาว่าคน ได้ทำความดีมามากได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาพอสมควรแต่ว่ายีบากกรรมข้างหลังซึ่งมาบันมาทรมานร่างกายสังขารให้ลำบากก่อนจะตายก็ไม่ได้ ส, สติ ส, ต, สตังและมีแต่ลมเท่านั้นก็เข้าห้องไอซูซีเยอยู่อย่างนั้นก็เกิกว่นดับจิต ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายหรืออย่างใดไม่ตายอย่างใดไม่รู้ตัวเลยนั้นแปลว่าเหมือนหลับแล้วตื่นไปถึงสวรรค์ไม่รู้ตัวว่าไปยังไงในพวกนี้ยากยากที่จะรู้ทางไปทางมาแต่ตัวเองมาอย่างไหนเกิดที่ไหนจําไม่ได้หมดแล้วลืมหมดแล้วแต่โดยไม่พวกที่ที่ถอนจากร่างพร้อมทั้งรู้ตัวก่อนจะไปเนะี่ยเขาเขาอจะจาได้บ้าง เขาไปถึงสวรรค์ของเขาแล้วมันมันมันกลายจากมนุษย์มากแล้วกนว่างันอันนี้ปารบถึงดวงจิตที่ยังคล้องหรือไม่คล้องให้ฟังดวงจิตที่ยังคล้องก็ต้องมีสิ่งดึ้ยึดเหนี่ยวสิ่งพาไปเรียกว่าบุญหระบาปบุญมีความดีมันก็โจงไปสวรรค์วัดธานีบางคนเหมือนหลับแล้วตื่นบางคนก็มีคนหบุน ทำบุญด้วยการมีความดีด้วยก็นำมารับไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นส่วนผู้ที่เกิดในมนุษย์ก็ไม่มีมีใครตามใครนำแล้วก็ลอยไปตามสภาพนั้นปรากฏว่างานเกตุบาที่โบราณว่าคนโบราณว่ามันมีมีผู้นำเหรอปาที่ ขี่ฉลูเมียงเป็นเครื่องนำชวดขี่หนูฉรูขี่วัวก็เลยอาถืออันนั้นความจริงก็คือตัวบุญตัวบาปเนี่ยนำมันนำไปนีอันที่ไม่นำไปที้เราเป็นอิสระตัวของเราเองเนี่ยเป็นตัวไม่มีใครมาจูงมาดึงแล้วเราไปก็มันเองของเราเองพระดีเจ้าตรัสรว่าวที่ที่หลุดพ้น หมายถึงบุญก็ไม่บุญก็เอาทิ้งไปบาปก็เอาทิ้งไปมันหนกักแบกทั้งบุญแบกทั้งบาปมีบุญมันก็ต้องเกิดอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ติดตต้องตายเหมือนกันเอามีบาปยิ่งลายอย่างมันเป็น ท, ทุกข์สิ่ก็เกิดเหมือนกันล่ะแต่แต่ว่าเกิดในฐาดฐานะหรือสถานที่มันลําบากเขาจึงไม่ชอบ แต่แต่ไม่ชอบถ้าคนทำโชวอเยอ่แล้วมันก็ต้องรับทันทีไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องวิพุจริตได้เพราะว่าตัวพยายมจะมาเคยเล่านิทานเสียบเทียบว่าคนคนแต่ละคนละคนนั้นทำบุญและทำบาปอย่างใดนัน มีพญายมโทษดีกว่าโทษพญายมเข้ามาจดบันทึกถ้าเป็นวันพระจากเป็นคนรับใช้ของอจะเป็นมหาราชทั้งสี่เข้ามาเวนันวันพระุด้จะเป็นท้าวเกว็นเนื้อพเวทสุวรมาทำบริวารมาจดชื่อ จดชื่อคนที่มาคนนั้นอยู่บ้านนั้นชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นได้ทำบุญอย่างนั้นได้ทำบาปอย่างนั้นคนทาบุญเขาก็มาจดชื่ออย่างญาติโยมทั้งหลายวันนี้มารักษาศีลฟังเทศเขาก็จดชื่อไปแล้วจดชื่อไปทางร้อมท้งชื่อทางนามชกูลล ะ, ล ะ, ะจดไปจดไปแล้วเขาก็นำไปนำไปที่พูดพญโยม พญายมก็นำชื่อคนเหล่านั้นไปประกาศคนที่กำลังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่นั้นเทวดาเห็นเขายกมือไหว้เขากราบากราบชื่อของคนเหล่านั้นแต่ว่าตรงการข้ามกับชื่ออาชื่อคนที่ทำบุญเขาวาจาลึกเขียนไว้ที่แผ่นทองคำ แต่ว่าต้องการข้ามชื่อกับของคนที่มันทําไม่ดีเน่ยเขาจดชื่อไว้ที่หนังหมาเน่าเขาก็เอาแผ่นทั้งแผ่นหนังหมาเน่าทั้งแผ่นทองคำและหล่อเทวดาทั้งหลายพากันเป็ดจมกูกมันเหม็นแล้วก็ไปไว้ที่ทู่พยายมพยายมเป็นผู้รักษาบัทชี คน น, นนั้นตายไปแล้วก็ไปที่ทูตพยโยมก่อนพยโยมก็นำไปสอบสวนนำไปเออแกได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมจะปฏิเสธอย่างไรชื่อเขาก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็เ ข, เขียนไม่หมดแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่างั้นอันนี้เป็นบุคลาธิฐานจักมีจริงหรือไม่จริงคขไม่รับรอง แต่ว่าโดยธรรมาริฐานแล้วนะปฏิเสธไม่ได้โทษพญายมตัวพญายมก็คือใจของเราแต่ละคนละกลเป็นผุกอาเป็นธรรมาริฐานเราจดเรานั้นเราเป็นผู้จดชื่อของเราเองเราทาบุญอย่างใดเราให้ทานอย่างใดรักษาศีลอย่างใดแล้วก็จดของเราลงไปเลยคือความจํา ความจําของเราทุกชนิดที่เรากระทําลงไปนั่นแหะมันเจตนามาจา ก, กจิตใจแล้วเราได้ทําบุญมาอย่างไดอย่างญาติโยมเทตามาพาญาติโยมไปเข้าพรรษาแล้วพา ก, กันไปทําบุญวัดนั้นวัดนั้นได้บริจาคจันตุก ป, ปจัจจยเราก็จํากันได้ทุกคนว่าเราได้ทําอย่างนั้นได้ประกอบอย่างนั้นคนอื่นจะรู้ไม่รู้ไม่สําคัญเราเองจําได้ทุกชนิดที่เราทำ เจอเรามาศักษาศิลเจริญภาวนาในวัดสันติธรรมที่เราทําอยู่ทุกวันทุกวันเราก็จําได้แม่นยนําไม่ต้องไปเขียนอ่ะใจมันเขียนมันเองนั่นล่ะนั่นล่ะคือทูตพยายมทูเขียนทูพยายมก็คือใจของเราทุกคนการเขียนก็คือการกระทําการพูดทุกชนิดของเราที่เราทาประกอบลงไปแล้วทีทําไม ผู้ที่ทำบวญยังเขียนไว้ที่แผ่นทองคำแผ่นทองคำนะั้นเป็นของที่มีค่ามีราคาเป็นของที่เขาต้องการปรารถนาแลวก็แลกเปลี่ยนไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยที่ว่านังมาเน่าคือการกระทำความชั่วทุกชนิด ถ้าระลึกนึกถึงขึ้นไปมันร้อนใจเกิดไม่สบายใจบางคนอาว่าไหม่กลัวบาปไม่มีบุญว่าเถอะขนาดที่กำลังแข็งแรงร่างกายไม่เป็นไรว่าไปเถอะแต่ว่าเมื่อโรคไครเข้าเจ็บมาครอบงำแล้วมันอไรเกิดป่วยไข้จะตายขึ้นมาแล้วมาใดอันนั้นตหละทีปฏิเสธไม่ได้เลยเรืงนั้นมันจะเป็นรูปภาพเป็นภาพมาให้เห็นเลย ที่เป็นบุญเป็นบาปถ้าเป็นบาปก็แสดงตัวต่างๆ้าแดงอาการกลัวใหญ่โตนี่ตาแก่คนหนึ่งเคยปฏิเสธบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอา้าวทีนี้ไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเพราะป่วยแล้วเห็นนั่นเห็นนี่ภาพอย่างต่างๆนรกสวรรค์เห็นทั้งนั้นอาจารย์ก็ไปแก้เนี่ยบอกมันไม่ใช่หรอกอย่างมันเป็นภาพเท่านั้นมันไม่จริงหรอก ไม่ใช่ผมเห็นจริงๆนะอาจารย์เอาอย่าเข้านั้นแกอย่างไรก็ไม่หลุดงา น, นทั้งๆขนาดที่กําลังสบายดีไม่ยอมเชื่อทางนั้นแต่เมื่อไนปรากฏเป็นนี้ไม่เกิดก็มากลับเชื่อแน่วแน่ไห ว, ว, ว, วเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นจังทั้งๆ ท, งที่มันเป็นเพียงภาพหลวงตาเท่านั้นก็ยังยอมเชื่อนัน่นแหละในขนาดที่เราแข็งแรงประสาทสมองทุกสิงิดมันมีประสิทธภาพ สภาพมันไม่หลอกลวงแต่เมื่อร่างกายมันแก่เท่าชราแล้วประสาทสมองมักเสื่อมคุณภาพมันหลอกลวงตัวเองตัวเองก็เลยถือว่าเป็นจริงเป็นจังนั่นนั้นแต่สาหรับบุคคลพวกฝุดจิตแล้วไม่หลงไม่ถือว่านั่นคือของจริงไม่ไปหลอกตัวเองต่อไปนี่คือโทษพยายมือตัวเราทุกคนนั่นเอง งั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันสูญมันหายไม่สูญไม่หายทำไว้เราก็เขียนไว้จารึกไว้ตลอดไปไม่ต้องไปเขียนด้วยกระดาษแล้วใจมันเขียนข้ามาแล้วนั้นคือสมบัติของเรามันเป็นสมบัติของเราจริงๆแล้วบริจากทางไปได้อให้ทานของเราจริงๆไม่ใช่ของคนอื่น คนอื่นจะมาแย่งไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราแล้ ว, ลวส่วนการรักษาศีลเป็นเครื่องประกอบทางกายักเจริญภาวนานะเป็นการเข้าถึงใจดึงจริงๆเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ใจจริงๆคือให้ความรู้ดีรู้ทั่วรู้ว่าเอาง่ายๆอันนี้คือกายอันนี้คือใจกายของแกเจ็บตายใจ ไม่แก่เจ็บตายก็รู้ตัวเองอย่างนั้นแต่ทีนี้เราสร้างความดีกันมาทั้งหลายนะเราจะเอาอะไรกันล่ะทีเราถามถ้าเราถามตัวเองอย่างนี้เราให้ทานมามากแล้วราาักษาศีลมามากแล้วในเจริญภาวนนี้สมาธิภาวนามามากแล้วเราจะเอาอะไรล่ะแล้วเราได้อะไรมาแล้ว ก็ต้องตอบตัวเองให้ถูกเราจะมาเอาตัวเรานะั่ยนะไม่ใช่เอาอย่างอื่นส่วนทานส่วนศีลนั้นะเป็นเครื่องประกอบปัญญานั้นนะสร้างเพื่อให้เป็นของเราโดยตรงเพื่อให้เขาเข้าถึงตัวเราจริงๆ ร, รู้จักเราและรู้จักสิ่งที่ที่เราอาศัยตามความเป็นจริง สิ่งที่เราอาศัยเอารูปร่างกายของเราทุกคนเนี่ยเป็นที่อาศัยของของของใจโดยเฉพาะแล้วกายนะยยังอาศัยอย่างอื่นอีกเรียกว่าอาศัยปัจจัยอาศัยเพื่อเสื้อผาเครื่องนุงโหมอาศัยอาหารอาศัยบ้านลื่นอาศัยทรัพย์สินโภคสาหรับที่จะจับจ่ายใช้สอยมาหาปัจจัยมาเลี้ยงตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็อาศัยชั่วคราวเรารู้เราเห็นอยู่แล้ว จะเอาตลอดไปนั้นมันไม่ได้นี่ความรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นในใจในี่ตลอดใจก็จะไม่หลงถือเอาแต่ทั้งนี้มันหมายก็านี้เลยไม่ใน้นี้เลยอาศัยใช้ถ้าเราเปรียบอารูปร่างกายของเราเนี่ยเรายืมยืมสภาวะธรรมนํ้มาใช้ ยืมเขามาแล้วนำไปเปรียบเทียบเหมือนว่าเออเราไปยืมรถผู้ใดผู้ดึงมาใช้เขาก็ให้เราใช้ด้วยดีล้วก็ให้มีสิทธิใช้ด้วยหรือเหมือนกับบุคคลผู้มีตาแหน่งหน้าที่เขามีรถประจำตำแหน่งรถนั้นเรียกว่าเราก็มีสิทธิใช้เต็มที่เพราะเราได้ตำแหน่งนั้นก็มีรถตำแหน่งนั้นไรใช้ แล้วเราก็ถือว่ารถนั้นเป็นรถประจำตาแหน่งเป็นรถของหลวงเป็นรถของกลางหรือเป็นรถของบริษัทที่เขาอนุญาตให้ใช้ไม่ใช่ของเราเราถ้าเราพ้นตาแหน่งนั้นแล้วเราก็ไม่มีสิทธิที่จะใช้ของนั้นัน้นพะพุทธเจ้าสอนเราให้ให้เข้าใจว่าเรามาคลองร่างกายสัตวคือยืม ยองจากสภาวธรรมมาใช้สภาวธรรมหรือธรรมดาของมันที่มีเราเอาศัยเขาเป็นเจ้งของเขาเขาก็ต้องแก่ของเขาก็ต้องเจ็บไข้ได้ปวดเขาก็ต้องแตกดับเขาต้องตายของเขาของมันเป็นของเขาอย่างนั้นไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ของจิตใจเราใจเราเพียงมาอยู่อาศัยชั่วขณะเวลานี้เท่านั้น แล้วของเหล่านั้นมันก็แก่เจ็บตายแต่ว่าใจเรามันไม่แก่หรอกแก่ที่ไหนได้ไม่แก่ชาขนาดอั้นอายุสูงๆแล้วก็ยังไหวจะหันว่าจะเตะปิ๊บเท่านั้นเตะปิ๊บเท่านี้นแตเนะ่เพราะใจมันยังยังไม่แก่ยังหานว่าจะเตะปิ๊บทุกคนละใจไม่แก่หลอกเนี่ยว่าใจไม่ยอมแก่ เพราะมันไม่มีกำลังนะคนแก่โดยมากอายุเจ็ดสิบแปดสิบโดยแล้วแสดงความกล้ า, าหาญว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอะไรร่างกายขนาดหลงปูเขาหลงปูสิมท่านกิ้งตกกงดอยลงไปดอยแล้วพระตามลงไปไเปไหหลงปูมันไม่เป็นอะไรดอกเขาตกเครื่องบินยังยิ่งกว่านี้ท่านวะจ่าย <c oughs> ท่านก า, าหาร เอ้าขึ้นจะลุกขึ้นมันก็ลุกไม่ได้สิที่จะต้องนอนต้องอาศัยพระเนนช่วยพยุงทำเป็นขั้นบันไดขึ้นมาพยุงกันมาพยุงกันขึ้นมาเกือบทุรักทเลเลยเกินอแต่ท่านก็ไม่ยอมทางนั้นล่ะไม่เป็นไรล็อกไม่เจ็บอะไรแล้วเอาแล้วดีแล้วที่ไหนได้ในขนาดนั้นมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแล้วซิต่อมามันพกช้ำก็เจ็บไหลแล้วทีนี้ ก็พอดีนอาจารย์อาจารย์แว่นไปสองคนเท่าพูดกันคุยกัน เ, ออเดี๋ยวแว่นแว่นเดี๋ยวเป่าให้หน่อยสิ <c> ้ <oughs> มาก็ไปจอบฟังสองคนเท่าพูดกันนะเป่าให้หน่อยสิ <c oughs> อาจารย์แว่นก็เข้าไปเขาเป่าพู่พู่เป่าที่ไหลเพื่อนมันเจ็บ <c oughs> เป่าด้วยคาถาอะไรก็ไม่รู้อันนี้หละคือใจไม่แก่ ใจของเราทุกคนไม่แก่หรอกแต่ร่างกายสังขารนั้นมันมันแก่ความเจมันก็ไม่แก่จริงๆด้วยไม่แก่ด้วยและไม่ตายด้วยฉะนั้นต้องเราเราต้องทุกคนเราต้องการเอาเราทะนะ่านม่ใช่เอาอยัางอื่นแต่ว่าในขณะที่ใจอย่างของเราต้องอาศัยมันใช้มันแม้มันจะฉะรูดชืดนชมถึงขนาดนั้นก็ใช้มันโตมันยังมีค่า มีค่าที่จะต้องสร้างสติสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ให้เต็มที่ก็ชื่อว่าเราสร้างให้เราทประการสุดท้ายพุทธเจ้าว่ะเครื่องอยู่นะคืออะไรเครื่องอยู่ของใจนั่นคืออะไรให้เรามีสติเป็นเครื่องอยู่คำว่าสติก็มีความรู้สึกเป็นเครื่องอยู่เราอยู่กับความรู้สึกของเรานะเราเวลาทั่วๆไปจะไปที่ไหน ม, มาที่ไหนก็รู้ใจก็แล้วกัน แล้วก็ให้เอาเอาทีนี้เอาใจทำการทำงานหน้าที่จะทำจะพูดจะประกอบก็ทำเถอะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าถ้าสงบแล้วจะไปหลบไปลีกอยู่นั่นน่ะไม่ได้ต้องทำงานทำด้วยสติในขณะที่เราธรรมดายากว่าธรรมดาอยู่ธรรมดานกว่าให้อยู่ด้วยสตินักษาใจ รู้ใจรักษาแต่ใจอยู่กับใจเท่านั้นเนะแต่เวลาขนาดที่เรานั่งภาวนาเราต้องรักษาทั้งสองคือรักษาทั้งอารมณ์และก็รักษาใจด้วยนี่จุดมุ่งหมายแห่งการภ า, าวนาของพวกเราเราจะเอาอะไรเอาตัวเราเอาตัวเราให้หลุดพ้นจากความยึดถือยึดถือของที่มันมันไม่เที่ยง เรามายึดถือขันห้ารูปขันห้ารูปของชายของหญิงนะั้นเรามายึดมาถือเอาตัวเป็นตัวของเราเราต้องรู้ทางจริงว่านั่นเป็นเพียงสมมติบัญญัติที่เราถือว่าเป็นตัวเราเท่านั้นแต่ไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกมันเป็นของสภาวะธรรมเขามาให้เราใช้ช่วงขณะเวลาหนึง่งแล้วมันก็จะแตกดับไปที่ยาาสอนว่าเอ้ามีก็มีใช้ใช้ไปเถอะแต่ต้องถือว่านั่นก็เป็นอันนั่น ขันห้าก็คือขันห้าใจก็คือใจคนละอย่างคนละอ่านกันไม่ใช่อ่านเดียวกันถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์นั้นๆจากมีทุกข์มีสุขอย่างใดก็กําหนดรู้ตามสภาพนั้นบอกว่าเมื่อมันมีทุกข์ขึ้นมาทุกนั้นมันไม่ใช่ใจเพียงแต่ว่าใจนี้ไปรู้ทุกนั่นเท่านั้นแม้เป็นสุขก็เหมือนกันบอกว่าสุขก็ไม่ใช่ใจ ถุกก็เป็นสุขแต่ว่าใจนี่เป็นผู้เป็นรับเป็นรู้เราก็รู้ใจไม่เอาใจใส่ในสิ่งมันจะสุขมันจะทุกข์อย่างนั้นก็ฉงหวมัมอย่างนั้นเรียกว่าทำจิตเป็นกลางแล้วเราก็รู้ใจเขาเราตลอดไปนี่เป็นอุบายวิธีสำหรับให้แต่ละคนละคนนั้นนำไปใช้นำไปปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองว่าเราทำความดีท้งหลายนั้นเราเอาเราตังหาก ่ะนั้นเราก็ต้องรักษาเราตลอดไปเราให้ทานตามกำลังของเราที่เราสามารถที่จะให้ได้เราส่วนศีลนั้นต้องรักษากายวาจาไม่ทำไม่พูดท้ามันล่วงเกินศีลห้าศีบแปดส่วนภายในนั้นเราต้องมีสติรักษาใจตลอดจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องรักษาที่ว่าเราไม่ประมาท พุทธเจ้ารับรองวาอภิมัตตานามียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเนียกว่าผู้ไม่ตายก็ได้ก็คือเราเราก็ไม่ตายแล้วมันมีอยู่นี้เราจะเอาอะไรนอกจากนั้นแต่ข้อปฏิบัติสำหรับปฏิบัติทษทั่วไปนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นทำตามนั้นในาารพระรหัสภิกนัศพที่ท่านได้พ้นแล้วแต่ท่านก็ทำ ทำเพื่อนำคนอื่นเพราะว่าบุญและบุญทั้งหลายนะั้นท่านสร้างเต็มแล้วเหมือนกับเราตักน้ำใส่องค์มันเต็มแล้วจะเอาไปใส่อีกมันก็แค่นั้นนะมันไม่เข้าไปอีกหรอกแต่มันก็ต้องล้นจากปากองค์ลงไปก็ไปที่คนองค์คนองค์มันชุ่มชื่นก็หมูได้หมูหมดหมูแมงหมูเอี่ยงมันก็ อ, อาศัยได้กินน้ำบงัง โม ก, กบมูเขียดก็มาดุดดุดกินเลยถนะ้าดูแล้งที่ข้างองค์หนึ่งพระหลานพระกินาศทั้งหลายท่านก็ยังทําบุญอยู่ทําเพื่อคนอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น น, นําเป็นตัวอย่าง่ายังเหลือเวลาอีกสิบนาทีจะให้ต่อเ น, นี้ไปก็ให้กําหนดจิตใจภาวนาต่ออากําหนดจิตเลยก็ได้พระครองก็มาการ็รู้ใจเลยหรือถ้ายังไม่อยู่ก็กําหนดพุโทโธพุธโทโธมาก่อนดังที่เราเคยแนะ แล้วก็ปล่อยวางสงบจิตดูจิตรู้จิตรู้ใจของตัวเองนะ่ะข้างในนี้ดูใจให้มันมันม่นคงต่อไป